อ ร, ริยมรรคนี้เป็นธรรมชาติที่เย็นเพราะสงบความเร่าร้อนได้ทุกนี้แปรปรวนกว่าจะรู้ว่าทุกข์ว่าแปรปรวนก็เพราะเห็นพระนิพพานที่ไม่แปรปรว น, รรวนเห็นนิโรธที่ไม่แปรปรวนสรุปว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัยผู้ใดเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขะนิโรธผู้ใด เ, เห็นทุกขนิโรธชื่อว่าเห็นทุกขะนิโรทคามิหนีปฏิปทาถ้าเห็นอริยสัจข้อหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นอันเห็นอริยสัจที่เหลือได้ บางคนก็บอกว่าปึ่งไปเลยนะแต่ปึ่งอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะหลุดไปเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเห็นอริยสัตว์อะไรสัจจะอะไรเป็นอะไรอธิบายไม่ได้ไม่เข้าใจสักอย่างแต่รู้ว่าหลุดพ้นกันแล้วกันหน่าว่าไงเขาว่าพ้นอะไรก็ไม่ทราบก็ให้พ้นจริงๆเธอถ้าพ้นไม่จริงแล้วมันจะพัน่สิถ้าพ้นจริงอ่ะท่านสบายแน่ถ้าพ้นไม่จริงอ่ะท่านถูกพันไว้แน่พันเอยงพันขาพันเท้าพันตาพันหูพันจมูกพันเล้นพันไปหมดเลยแหละสวัสดิ์สมุทยเนี่ยนะสมุทัยนี่อายุหันะอายุหันะ คือประมวลมาใช่ไหมประมวลอะไรมาประมวลทุกนันแหละพันธสมุไทยนี่เป็นเหตุเหตุอะไรเหตุ ข, ของทุกเพราะตัวสมุไทยนี่แหละเป็นประมวลตัวประมวลทุกมาสมุไทยนี่มันเกี่ยวมันคล้องท่า น, นิพานแหละตรงกันข้ามเลิกเกี่ยวเลิกคล้องเลิกติดเลิกพันสมุไทยนี่ผัวพันอริยมรรคมนำออกจากความพัวพัน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 นิโรธเป็นวิเวกก็แสดงว่าเห็นสมุทัยที่ไม่วิเวกเลยนะอยู่คนเดียวจะเหมือนกับอยู่หลายคนเนี่ยประชุมกันแล้วไม่เลิกไม่ลาสักทีหนึ่ง น, นะถ้าตันหามันกระซิบอย่างงั้นแหละโอ้ยมันเรื่องมากจริงๆเลยพรันสมุทัยนี่มันไม่ยอมวิเวกด้วยหรอกส่วนนิโรธนั้นเป็นอสังกตะเพราะมรคนี้เป็นสังกตะมรนี้มรนี้ต้องปรุงจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกนิพพานไม่มีอะไรเป็นอสังกตะ แต่กว่าจะแทงตลอดอสังขตะอย่างที่ว่าเนี่ยจะต้องปรุงเท่าไหร่คิดดูพระองค์เนี่ยปรุงสีอสงไขยแสนกลับนะกว่าจะตรัสรู้ภาษารีบทปรุงมาเป็นอสงไขยพระ อ, อนนท์เป็นต้นปรุงเป็นแสนกลับมันก็ต้องเป็นผู้ที่ปรุงกุศลธรรมเป็นอย่างมากเนี่ยนะจึงจะสามารถตรัสรู้อสังขตะได้นี่โรจนี้เป็นอมตะตรงกันข้ามกับทุกใช่ไหมทุกนี้อมตะไหมไม่ชารามรณะเป็นต้นเนี่ยนะนะัคือตัวทุกข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 ส่วนมรคนี่เป็นอธิบดีมรคเป็นอธิบดีเช่นอะไรเช่นกับตระกูลโอฬานเพราะเห็นทุกข์เนี่ยเหมือนกับคนยากทุกข์มันไม่ใช่เหมือนกับคนยากมันคนยากจริงๆเลยแหละนะมันคนยากคนคนกันอนาถานะคนทุกคนยากคนยา ก, ค น, ยากคนไร้ซึ่งตรงกันข้ามกับอริยมรคที่เหมือนกับตระกูลโอฬานน้อมพิจารณาไปทางไหนก็มีนะถ้าพวกทุกข์กละหันไปทางไหนก็ไม่มีนีนะ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 อันธรรมะเหล่านี้เอ อ, อริยมรรคเขอาไปการรู้แจ้งแทงตลอดอริยศัตร์ลักษณะที่ท่องแท้ทั้งหมดดังกล่าวเนี่ยนะเป็นที่นิยมอธิบายทุกแห่งเลยถ้าอธิบายลักษณะของสัจจะที่ท่องแท้จะเอาถอดความท่องแท้เอาความจริงแท้ของกุศลธรรมเหล่านี้แหละของธรรมเหล่านี้แหละไปอธิบายนีนะ่เป็นเป็นที่อธิบายเป็นที่อ้างอิงเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้เป็นที่เอาไว้เขาอ้างมากที่สุดในในในอัตถกถาเนี่ยนะเช่นในสัจจะวิพังก็เอาข้อความตรงนี้ไปอ้างวิสุทธิมัสสัจจะนิเทศก็เอาตรงนี้ไปอ้างอีกลายแห่งก็เอาธรรมะเหล่านี้ไปอ้างเพราะอันนี้คือความจริงแท้เป็นความท่องแท้เป็นสภาวะที่จริงแท้ถ้ารู้ความจริงแท้อันนี้แล้วพ้นจากกองทุกข์ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าสภาวะที่ทองแท้นะท่องแท้ตามสภาวะ แต่สภาวะทั้งหมดเหล่านี้มีอัตราแทรกอยู่ไหมไม่มีเป็นสัจจะที่ไม่คลาดไม่เคลื่อนแต่เป็นสัจจะที่ต้องแทงตลอดนะปฏิเวทะต้องแทงตลอดควรแทงตลอดเป็นสภาวะที่อภิชานะควรรู้ยิ่งด้วยด้วยอะไรปกตินะอภิชานะแปล ว, ว่าด้วยยาตะปริญญาปริชานะเนี่ยนะกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาแต่ก็คําว่าควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้ก็คือยาตะปริญญากับตีรณะปริญญา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 ส่วนธาตุธาตุก็คือสุญญตาใช่ไหมว่างว่างก็ไม่มีนี่เหมือนกันว่าเบาว่างก็ไม่มีเบาเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่าสุญญตาไม่ใช่น sal ัตทิตานัตทิตาแปลว่าไม่มีสุญญตาแปลว่าว่างมีแต่มันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเช่นหม้อว่างเนี่หม้อมีแต่ไม่มีอะไรอยู่ในหม้อเรือนว่างเรือนมีแต่ไม่มีใครอยู่ในเรือนนี่ก็เหมือนกันธาตุเนี่ยธรรมชาติที่ว่างว่างจากสัตว์แต่ธาตุเนี่ยมีแต่มีโดยความเป็นทุกข์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 ถูกต้องควรถูกต้องนะควรถูกต้องด้วยอะไรด้วยญาณเนี่ยนะปัญญานี่เข้าไปถูกต้องอ น, นะไม่ใช่เอาจากักถูกไปถูกใช่ไหมไม่ใช่เอาแต่แตะเนื้อต้องตัวอะไรหรอกแต่ว่ารู้ด้วยปัญญาแล้วก็ควรตรัสรู้ด้วยอภิสมัยควรตรัสรู้อย่างยิ่งนะนะควรรู้ยิ่งด้วยปัจเจเวคขณะญาณหรือด้วยได้เฉพาะด้วยญาณคือได้เฉพาะด้วยมัวิปัสนาญาณมัรคญาณผลญาณ หรือตัวควรรู้ด้วยปัจเจกขณะญาณมันควรตรัสรู้จ ร, จริงๆธรรมะดังที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะที่ดีจริงแท้อะนะธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเป็นกุศลธร ร, รมล้วนๆเป็นธรรมที่ปราศจากกิ่งใบปราศจากเปลือกเป็นสาระล้วนๆเป็นแก่นแท่ล้วนๆเนี่ยนะมันก็เราก็ถือว่ามีบุญมากเลยนะมาเรียนสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารถึงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ อุ้ยเราเชื่อว่าสั่งสมบุญไว้แล้วเนี่ยนะถ้ารุ่นนี้ถ้าเรียนเรื่องเก่าอีกเราก็เข้าใจมากกว่าเดิมแน่นอนถ้าไม่หลับซะก่อนต่อไปอุปจาระฌานอุปจาระฌานนั้นผู้ที่จะเจริญฌานได้เนี่ยจะต้องมีคุณคุณธรรมรองรับรองรับสภาพจิตเจ็ดประการเรียกว่าอุปจาระฌานเจ็ดหมายว่าเฉียดฌานใกล้ฌานคุณธรรมที่รองรับฌานคือต้องเจริญเนคขมมะ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 ไม่มีคุณธรรมทั้งเจ็ดประการเนี่ยรองรับปฐมฌานเป็นต้นไม่ได้เพราะว่าเนคขมมะเนี่ยเป็นตัวที่สลัดออกจากตามอัพยาบาทเป็นตัวที่สลัดออกจากความพยาบาศอโลกสัญญาเป็นตัวที่สลัดออกจากถีนามิทะความไม่ฟุ้งซ่านสลัดออกจากความฟรรรุ้งซ่านการกําหนดธรรมะแยกแ ย, ยะวิเคราะห์ได้ก็ออกจากวิจิกิจชายานาออกจากอาวิชาปราโมทออกจากความเซ็งนั่นะ หมายคึงว่าเบื่อเหลือเกินที่จะเจริญกุศลเป็นต้นอันเนี้ยธรรมะถ้าหากว่าไม่มีกุศลธรรมทั้งเก็บประการถ้าการมาฉันท้าเกิดทำอะไรได้จบเลยใช่หถ้าโกรธขึ้นมาล่ะเสียหายอีกง่วงขึ้นมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้ฟุ้งขึ้นมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาระ ง, งับสงสัยขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำยังไงเกิดความเคลื่อนขึ้นมาก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไง เบื่อเลอะเกินในการเจริญกุศลธรรมก็ไม่รู้จะแก้ไปยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งเจ็ดประการเนี่ยเป็นตัวเกื้อห น, นุนเป็นตัวเกื้อกูลให้เจริญสมถะได้อย่างต่อเนื่องสมควรที่คนที่มีคุณธรรมดังกล่าวสมควรที่จะได้ปฐมฌานเห็นไหมเพราฉนั้นปฐมฌานนั้นอันประกอบไปด้วยองค์เท่าไหร่องห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาทุติยฌ า, านมีองค์สามคือปีติสุขและเอกคตาตัตยิยฌานมี สุกะเอกคาตาจะดูท่าชนก็ประกอบไปด้วยอุเบกขาและเอกคตาส่วนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้ชานก็ดูสมาธินิเทศหรือสมาธิภาวนามายญาณข้างหน้านู้นนี่นส่วนอรูปสมาบัติทั้งสี่ก็คืออากาสานันจายตนะที่มีอากาศเป็นอารมณ์วิญญาณันจายตนะที่มีอากาศนันจายตนะเป็นอารมณ์อากินจัญญายตนะที่มีนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์ เนวสัญญาก็มีอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์นั่นเองดะงนั้นอรูปประชามเหล่านี้อรูปสมาบัติเหล่านี้ก็ควรกําหนดรู้กําหนดรู้หรือแม้กระทั่งอนุ ป, ปัสนาทั้งมหาวิปัสนาทั้งสิบแปดเนี่ยนะมหาปัญญานะมหาวิปัสนาก็คือมหาปัญญามหาปัญญาทั้งหมดเหล่านี้ก็ควรควรอะไรควรกําหนดรู้ควรปฏิบัติให้มีขึ้นเช่นการพิจารณาเห็นตัวตัวปัญญานะีตรงนี้เน้นตัวปัญญาปัญญาที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง หรือเห็นทุกเห็นอนิจจลักษณะปัญญาที่ไปเห็นโดยความเป็นทุกขคือปัญญาที่ไปสอดส่องเห็นทุคลักษณะปัญญาที่พิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาก็คือปัญญาที่เห็นอนัตตลักษณะเพราะฉะนั้นปัญญาคืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนา3มอย่างบริบูรณ์จะทําให้ความเบื่อหน่ายนิพพานุปัสสนาก็เกิดขึ้นถ้าอนุปัสสนา4อย่างบริบูรณ์ก็ทําให้วิราคานุปัสสนาบริบูรณ์ ถ้าวิปัสนาห้าอย่างก็ทําให้นิโรธานุปัสสนาบริบูรณ์ถ้าอนุปัสนาหกอย่างก็ทําให้ปฏินิสขานุปัสนาบริบูรณ์มันพวกอนุปัสนาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเกื้อกูลอุปการะอนุปัสนาล่างๆเกื้อกูลต่ออุปการะต่ออนุปัสนาชั้นสูงๆต่อไปเพราะอนิจจานุปัสนาออกจากนิจจสัญญาทุกขานุปัสนาออกจากสุขสัญญาอนัตตานุปัสนาออกจาก อัตตะสัญญานิพิทานุปัสนาออกจากความเพลิดเพลินวิราคานุปัสนาออกจากราคะนิโรธานุปัสนาออกจากสมุทัยวิราคาปฏินิสข า, านุปัสนาออกจากความยึดถือเนี่ยนะที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมอะไรเลยส่วนขยานุปัสนาก็คือตามเห็นแต่ความสิ้นไปวยานุปัสนาเห็นความเสื่อมไปอันนี้ก็หลังจากพังขยานเป็นต้นไปอยู่แล้วเนี่ยนะเห็นแต่ความสิน้นเห็นแต่ความเสื่อมเห็นแต่ความแปรไป อนิมิตานุปัสสนาก็คืออนิจจานุปัสสนานั่นแหละเนี่ยนะเพราะไม่มีนิมิตคือขบ น, นิจจนิมิตเป็นตน้นไม่มีที่ตั้งคือไม่มีที่ตั้งในที่นี้หมายถึงปรารธนาเนี่ยนะไอ้ตั้งไว้ตั้งไว้อะไรตั้งไว้ด้วยตันหาเพราะฉะนั้นอปปนิหิตานุปัสสนาก็คือเห็นว่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาก็คือทุกขานุปัสสนานั่นเอง ส่วนเห็นโดยความเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ที่เรียกว่าศุญย์ยานุปัสสนานั้นก็คืออนัตตานุปัสสนามันอนัตตากับศุญญาตานั้นคือสิ่งเดียวกันส่วนอาธิปัญญาธรรมวิปัสสนาก็คือปัญญาทั้งหมดนั่นแหละชื่อว่าอาธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเพราะใครที่ไม่มีปัญญาอันยิ่งหรือไม่มีอาธิปัญญาสิกขาเหล่านี้ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเจริญได้อย่างตลอดฝั่งใช่ไหม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 โคตรพูยานเนี่ยนะเพราะโคตรพูยานต้องการหลีกออกอย่างเดียวไม่เอาแล้ววัตตะว่างั้นเนี่ยพอแล้ววัตตะเพียงพอแล้วมันทุกจริงๆเลยนะคนที่กาลังปฏิบัติเนี่ยถามมาจริงๆเขาทุกจริงหรือฮเขาทุกไหมตัวเขาจริงๆนะขณะนั้นเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดแต่ทําไมท่านเขาบอกว่าทุกจริงๆเพราะเห็นว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันทุกจริงๆเนี่ยนะตัวใครที่เข้าไปเหมือนกับว่าเห็นก้อนเหล็กแดงๆนี่ยนะ บอกว่าใค ร, ใครกลืนก้อนเหล็กก้อนนี้เข้าไปเดือดร้อนแน่เขาบอกไม่ยอมกลืนโดยประการทั้งปวงเพราะเห็นว่าก้อนเหล็กนี่มันคือก้อนทุกเมื่อใดเนอะจะมีปัญญาเห็นอุปาทานขันทาว่าเป็นดังก้อนเหล็กเนี่ยนะเมื่อใดเนาะจะเห็นจักขู่เป็นของหอนอย่างนี้นะจะตั้งความปรารถนาเอาไว้เนี่ยนะเมื่อไรจะลืมตาดูดอกไม้สวยๆอุ้ยตาก็เป็นของร้อนดอกไม้งามๆก็ร้อนอย่างนี้นะร้อนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดูไม่เบื่อไม่นานเนี่ยนะ บอกเที่ยวสวนนี่ต้องไปไ like ล่ต้นออกมาบอกพระราชาที่เ <Elliott> ข <ills> <int ans otted> ้าไปเที่ยวในสวนที่งดงามเนี่ยนะอ๊้ยไม่ยอมเลิกราเลยนะสนุกมากแล้วมีน้ําจันทร์ด้วยไปหน่อยให้นุ่งเริงยิ่งเคลิ้นหนักไม่ยอมออกเลยนะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าไปเที่ยวสวนเที่ยวอะไรเนี่ยต้องกะเวลากันบอกว่าจะต้องจะต้องพร้อมกันที่รถเวลาเท่านั้นเท่านี้ไม่งั้นก็ดังอยู่นั่นแหละเก็บภาพแล้วภาพเล่าภาพแล้วภาพเล่าเนี่ยนะ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามมหาวิปัสสนาทั้งหมดก็เพื่อแทงเพื่อเจริญอริยมรรคทาให้แจ้งอริยผลทั้งหลายถ้าบรรลุโสดาปติมรรคก็ทําให้แจ้งโสดาปติผลถ้าบรรลุสกาทาคามิมรรคก็ทําให้แจ้งสกอาทาคามิผลถ้าบรรลุหรือเจริญอริยมรรคก็ทําให้แจ้งอนาคามิผลถ้าแทงตลอดอรหัตตมรรคก็ทําให้แจ้งอรหัตตผลสิ่งเหล่านี้ควรกําหนดรู้นะ กำหนดรูปแบบอะไรทําให้มันมีขึ้นนั่นแหละทีนี้คุณธรรมดังที่กล่าวไปเนี่ยนะขณะที่มรรคผลเกิดขึ้นเนี่ยอย่างไรก็ไม่พ้นอินทรีย์พละโพชงเพราะเป็นการประชุมอินทรีย์การประชมพละการประชมโพชงการประชุมอริยมรรคการประชมโพธิปักฉิยธรรมใช่ไหมจึงเกิดการตรัสรู้นะลในคัมภีร์บางแห่งท่านบอกเลยว่าเมื่อทําโสดาปฏิมาให้เกิดขึ้นก็หลังจากนั้นนั่งอาสนะเดียวกันนั่นแหละประชุมอินทรีย์พระโพชงองค์มรร ทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยคุณธรรมองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดเลยโพธิปัจจะธรรมทั้งหมดเนี่ยประชมกันเช่นสัจตินทรีวิริยินรีสติินรีสมาตินรีปัญญินรีก็ประชมกันสัทธาพระวิริยะพราสติพราสมาธิพระปัญญาพราก็ประชมกันสติสัมโพชงธรร ม, ว, ม, มวิรยะสัมโพชงวิริยะปีติปัสสัตทิสมาธิอุเบขาสัมโพชงโพชงทั้งหมดเหล่านี้ก็ประชมกัน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 อาทิตย์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะนะเกิดข้อความในปฏิสัมพิธามาร์ต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงปริญ ญ, ญาธรรมปริญยญาธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่ควรรอบรู้แต่ถ้าแปลว่ากําหนดเฉยๆนี่แคบไปต้องแปลว่าธรรมที่ควรรู้รอบหรือว่ารอบรู้นะรู้โดยรอบ นั้นคำว่ารู้โดยรอบนั้นไม่เฉพาะแต่รู้แบบตรีระณะปริญญาเท่านั้นนะไม่ใช่ไปรู้เฉพาะเพียงแต่ว่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแต่อมความถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติได้คุณธรรมใดๆก็ชื่อว่าทำปริญญาในคุณธรรมนั้นๆด้วยนะอย่างมาดูในเอกสารที่แจกไปเนี่ยนะในหน้าสามสิบสอง ข้อห้าสิบเก้าเพราะว่าปริญญานี้เพราะอัจว่าเข้าถึงกิจหมายคาอว่าปฏิบัติจนได้คุณธรรมนั้นๆการปฏิบัติจนได้คุณธรรมนั้น น, นก็ชื่อว่าปริญญานั้นการปฏิบัติให้ได้คุณธรรมสาสิบเจ็ดข้อเหล่านี้ก็ชื่อว่าปริญญาเช่นว่าบุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้เนคขมมะก็เป็นอันได้แล้วอันนี้ก็ชื่อว่าปริญญานะ ที่เขามีปริญญาก็เพราะว่าเขามีความสามารถในการสลัดออกจากการมาฉันทาได้บุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้ความไม่พยาบาทก็เป็นอันได้แล้วเพราะเขาสามารถละความพยาบาทได้บุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้อโลกสัญญาก็เป็นอันได้แล้วเพราะสามารถที่จะละทีนะมิธาได้ บุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้ความไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นอันละได้แล้วเพราะอะไรเพราะละความฟุ้งซ่านได้บุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้การกําหนดธรรมก็เป็นอันได้แล้วเพราะละวิจิกิจฉาได้บุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้ญาณะก็เป็นอันได้แล้วเพราะละอวิชชาได้บุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้ความปราโมทก็เป็นอันได้แล้วเพราะละ อารติคือความไม่ยินดีในการเจริญกุศลได้เพราะฉะนั้นธรรมะนั้นเป็นธรรมะอันบุคคล น, นั้นทำปริญญาแล้วและพิจารณาแล้วอย่างนี้นะพิจารณาจนสามารถละปฏิปักษ์ธรรมธรรมที่เป็นข้าศึกธรรมที่เป็นปฏิปักษจนเจริญเนฆคำมะอพยาบาทอโลกสัญญาความไม่ฟุ้งซ่านการกาหนดธรรมญาณปราโมด คุณธรรมทั้งเจประการเนี่ยนะเชื่อว่าเป็นอุปจาระฌานอุปจาระฌานนี้แปลว่าคุณธรรมที่เป็นเหตุให้ได้ฌานหรือคุณธรรมที่เป็นเครื่องรองรับฌานเพราะถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมเจ็ดประการนี้ยากที่จะได้ฌานใครที่หวังจะเจริญกุศลธรรมชั้นสูงนี่ก็กำหนดจดจําเอาไว้ให้ดีว่าคุณธรรมเจ็ประการนี้มีอุปการะคุณมาก เพราะตัวที่บันทรทําให้เจริญฌานไม่ได้ก็คือการมาฉันทะนี่ก็เป็นข้าศึกเป็นศัตรูในการเจริญฌานพยาบาทก็เป็นข้าศึกศัตรูในการเจริญฌานทีนามิทะนี่ก็เป็นข้าศึกศัตรูเหมือนกันความฟุง้งซ่านความสงสัยอวิชชาความเบื่อหน่ายในการเจริญกุศลพวกนี้ก็เป็นข้าศึกเป็นศัตรูต่อการเจริญกุศลธรรมทั้นผู้ที่ เจริญคุณธรรมเจ็ประการนั้นจึงสามารถรองรับฌานได้แล้วก็ฝึกฝนให้เกิดมีในจิตเนี่ยนะท่านใครที่มีคุณธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ก็ชื่อว่าธรรมปริญญาเหมือนกันหรือปริญญาที่แปลว่าเป็นผู้รู้รอบเป็นผู้รอบรู้นะคนที่รู้รอบรอบรู้เนี่ยจะต้องมีคุณธรรมเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมส่วน เมื่อได้คุณธรรมเหล่านี้ก็ได้ปฐมฌานนะนะบุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้ปฐมฌานก็เป็นอันได้แล้วธรรมนั้นเป็นธรรมอันบุคคล น, นั้นกําหนดรู้แล้วและพิจารณาแล้วอย่างนี้ปฐมฌานนี้ละอะไรละนิวรณ์ทั้งห้าข่มนิวรณ์ทั้งห้าทุติยฌานนิคมอะไรข่มวิตกวิจารตัติยฌานนิคมปีติจตุติฌานนิคมสุข นนั้ผู้ที่พยายามเพื่อจะได้ฌานก็สามารถปฏิบัติจนได้ฌานก็ชื่อว่าทำปริญญาและพิจารณาแล้วนั้นคําว่าปริญญานี้หมายถึงว่าเจริญฌานจนได้ฌานก็ชื่อว่าเป็นการทำปริญญาเพราะว่าเป็นผู้ที่รู้รอบในเรื่องฌานถ้าไม่รู้รอบถ้าไม่มีการพิจรารณาไม่สามารถที่จะรักษาฌานอ่ะง่ายๆก่อนว่าไม่สามารถที่จะทำฌานให้เกิดขึ้นได้อย่าว่ารักษาเลย บุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้อากาศานัญจายตนะสมาบัติก็เป็นอันได้แล้วแปลว่าเขาละกามาวจรละรูปาวจรได้ทั้งหมดจึงได้อากาสานัญจายตนะก็ชื่อว่าเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องกามรอบรู้ในเรื่องรูปาวจรผู้พยายามที่จะได้วิญญาณัญจายตนะก็เป็นอันได้แล้วเพราะละอากาสะนัญจายตนะบุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้อากินจัญญายตนะสมาบัติก็เป็นอันได้แล้วเพราะละ วิญญาณัญญาวิญญาณัญญา ย, ยตนะบุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้เนวสัญญานาสัญญายตนะก็เป็นอันได้แล้วธรรมนั้นเป็นธรรมะอันบุคคลนั้นกําหนดรู้แล้วและพิจารณาแล้วอย่างนี้ผู้ที่ทําปริญญาณในอรูปสมาบัติก็สามารถที่จะเจริญอรูปสมาบัติทําให้อารูปสมาบัติเกิดขึ้นแล้วก็รักษาอารูปสมาบัติให้เป็นไปผู้ที่เจริญ มหาวิปัสนาสิบแปดเนี่ยนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการอบรมปัญญาโดยนิยต่างๆอานิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัต тан ุปัสนานิ่พิธานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาปฏินิสักานุปัสนาเรียกว่าอนุปัสนาเจ็ดใครที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะขณะที่วิปัสนาเกิดขึ้นก็ชื่อว่าทำปริญญาเหมือนกันส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง มหาวิปัสสนาก็ได้อธิบายไปหลายครั้งแล้วซึ่งข้างหน้าต่อๆ่อไปนในวิปัสสนาญาณชั้นสูงก็จะได้อธิบายอย่างละเอียดอยู่แล้วรันการกล่าวถึงธรรมะในกลุ่มนี้ว่าถ้าผู้ใดาสามารถทำให้มหาวิปัสสนาเกิดขึ้นบุคคลนั้นก็ชื่อว่าทมปริญญาและชื่อว่าพิจารณา หรืแม้กระทั่งปริญญาสูงสุดเลยก็คือต้องโน่นแหะโซนะปฏิมักสกาธาคามีมักอนาคามีมักและอรหัตตมักผู้ที่เจริญอริยมักเหล่านี้จนเต็มเตี่ยมสมบูรณ์ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำปริญญาหรือว่าพิจารณาเสร็จแล้วโดยเฉพาะอรหัตตมักเนี่ยนะขณะนั้นกำลังทำกิจนั้นผลแห่งอริยมัคนี้เกิดขึ้นก็ชื่อว่าจบจบอะไรจบกิจในการทำปริญญาแค่ว่าจบปริญญากิจเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นบุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้ธรรมะใดๆเป็นอันได้ธรรมะนั้นนั้นแล้วธรรมะเหล่านั้นเป็นธรรมะอันบุคคลนั้นกาหนดรู้แล้วและพิจารณาแล้วอย่างนี้เชื่อว่ายานเพราะอัจถะว่ารู้ธรรมะนั้นเชื่อว่าปัญญาเพราะอัถะว่ารู้ชัดยานะเนี่ยแปลว่ารู้ธรรมปัญญาก็ชื่อว่ารู้ชัด สรุปว่าปัญญาเครื่องทรงจำธรรมที่ได้สดับมาแล้วคือเครื่องรู้ชัดธรรมะที่ได้สดับมาแล้วนั้นว่าธรรมะเหล่านี้ควรกําหนดรู้ชื่อว่าสุตตมยญาณก็ดังที่กล่าวว่าสุตตมยญาณทั้งหมดมีหัวข้อใหญ่หญอยู่เท่าไหร่สิบหกหัวข้อนะสิบหกหัวข้อหนึ่งควรรู้ยิ่งสองควรกําหนดรู้เออนี่เพิ่งไล่แค่ข้อสองเองเหรอเนะี่ยเลยเท่าไหร่ และอีกสิบสี่หัวข้อนะมีอะไรบ้างทำเหล่านี้ควรละทำเหล่านี้ควรทำให้แจ้งทำเหล่านี้ควรเจริญนี้ทำที่อยู่ในส่วนแห่งความเสื่อมนี้ดารงอยู่ตั้งอยู่ถิติเนี่ยนะแล้วก็วิเศษจเจริญขึ้นวิเศษขึ้นพิเศษขึ้นะนหรไหมแล้วก็นิเพธภ า, าคยะส่วนแห่งการชํแระ ก, กิเลสสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาน้ทุกน้ทุกขสมุทัยน้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโร ธ, า, โรธาคามินีปฏิปทาผู้ที่ฟังเรียนรู้จำแนกแจกแจงในธรรมสิบหกหัวข้อได้อย่างละเอียดชื่อว่าเป็นผู้มีสุตะมยะปัญญาสุตะมยะปัญญาอันนี้แหละที่ที่อื่นๆจะกล่าวว่าเป็นอาหารของศรัทธาเนี่นะเป็นอาหารของศรัทธา ถ้าหากว่าเราไม่มีความเข้าใจในธรรมะเหล่านี้แล้วเราศรัทธาพระพุทธเจ้าตรงไหนโดยเฉพาะศรัทธาบทว่าสัมมาสัมพุโทโธเราจะนึกไม่ออกเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรกันแน่เนี่ยนะก็ได้แต่พูดกว้างๆอ้อมๆหลอกตัวเองไปวันๆเท่านั้นเองถ้าหลอกตัวเองได้ก็แสดงว่าอะไรหลอกคนอื่นด้วยไหมปกปิดตัวเองได้สนิทมากนะเนี่ยไม่น่าเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะเราก็ เป็นสิทธิ์มีอะรนะเป็นสิทธิ์มีอาจารย์ใช่ไสิทิ์มีอาจารย์หมายความว่าพระพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นอาจารย์ของเราเพราะเป็นผู้ที่หันเหออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมดแล้วก็ให้หันหน้าเข้าไปหาประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์สูงสุดในการตรัสรูธรรรสร้ธรรมะตรัสรู้อริยสัจตรัสรู้ธรรมะทั้งมวลเหล่านี้นี่ก็มาขึ้นประหาตปรธรรมเลยนะทำกล่าวถึงธรรมที่ควรละบ้าง เพราะว่าผู้ที่รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งผู้ที่กําหนดรู้ธทำที่ควรกําหนดรู้ที่สําคัญจะต้องละทำที่ควรละได้เพราะความในสุตตมยายาญาณปหาตัปพะธรมรมปหาตัปพาณิเทศข้อหกสิบสี่ปฏิสัมพิธามัตตกล่าวถึงว่าปัญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ได้สดับมาแล้วคือเครื่องรู้ชัดธรรมะที่ได้สดับมาแล้วนั้นว่าธรรมะเหล่านี้ควรละชื่อว่า สตมยยญานเป็นกระเทกตุกรร ม, มยตาปุจช้าว่ามันเป็นอย่างไรคือถามเพื่อจะตอบเองอ่ะนะเพราะสิ่งที่ควรละที่เรียกว่าปะหาตับพระหหนเนี่ยนะปะหานะเนี่ยที่ควรละเขาก็แบ่งไว้ทำหนึ่งที่ควรละทำสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำที่ควรละก็มาดูว่าทำหนึ่งที่ควรละคืออัสมิมานะทำสองอย่างที่ควรละคืออวิชากับตัณหา บางแห่งก็คืออวิชากับภวะตันหาทำสามที่ควรละคือตันหาสามทำสี่ที่ควรละคือโอคาสีทำห้าที่ควรละคือนิวรห้าทำหกที่ควรละก็คือตันหากายะหรือหมวดตันหาหกทำเจ็ดที่ควรละก็คืออนุสัยเจ็ดทำแปดที่ควรละคือมิชตะข้อปฏิบัติที่ผิดแปด ทำเก้าที่ควรละก็คือทำมีตัณหาเป็นมูลเหตุเก้าอย่างทำสิบที่ควรละก็คือมิชตะขอบความปฏิบัติผิดสิบอย่างมาดูคำอธิบายโดยพิสดารเนี่ยนะในหน้าสี่นะเปิดไปหน้าสีใครเอาเล่มโตมาก็ทับเก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกันนั่นแหละที่บอกว่าทำหนึ่งที่ควรละคืออะไรอัสมิมานะใช่ไหมมานะว่าเป็นเรา รู้จักเราน้อยไปยังไงด้วยเพราะเขาไม่รู้จักเรานี่แหละเขาจึงเป็นอย่ังไงลักษณะนั้นแหะลักษณะอัสมิมานะเชื่อว่ามานะเพราะเป็นเราในอุปาทานขันห้ามีรูปเป็นต้นคือคนจะจะหญิงเนี่ยนะมานะแปลง่ายๆว่าหญิงก็ได้เอาอะไรมาเป็นเครื่องทําให้หญิงเอารูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญ ญ, ญาณบ้างก็ เ, เอาสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละมาเยาะยิงมาพยองอ่ะนะ นึกถึงพุทธพจน์ในวิชยสูที่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่สำคัญในในรูปของตนเนี่ยนะยึดถือในกายของตนแล้วก็ดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าถือเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็ไปเปรียบในสิ่งที่ไม่เที่ยงเอาสิ่งที่เป็นทุกข์ไปเปรียบในสิ่งที่เป็นทุกข์เอาสิ่งที่เป็นอนัตตาไปเปรียบกับสิ่งที่เป็น อนาตาฉะนั้นเขานี่ไม่รู้สัจธรรมเลยไม่เข้าใจความจริงเลยเหมือนกับเอาฝีมาแข่งกันเอาโรคมาแข่งกันนั่นแหละนักโทษประหารเนี่ยแข่งกันว่าใครจะถูกประหารรายต่อไปเนี่ยนะที่จริงมานะเนี่ยนะที่สําคัญในอุปาทานขันห้าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นจริงอยู่เมื่อละมานะนั้นได้ก็เป็นอันบรรลุพระอารหันต์คือบรรลุเป็นพระอารหันตคืออรหันต์นั่นแหละเพิ่งทราบว่า แม้เมื่อรูปปราคาเป็นต้นยังมีอยู่ก็ไม่กล่าวถึงสังโยชน์ที่เหลือกล่าวถึงอัศมิมานะเท่านั้นเพราะอัศมิมานะนั้นยากเทียบได้กับทิฐิคือในองค์มรกเนี่ยนะในองค์มรตทั้งหลายโสดาปฏิมรละอะไรละทิศกายะทิฐิวิจิกิจฉาสีละพตะปรามาศถ้ามาไล่ตามลำดับเนี่ยนะสัมมาทิฐิละมิจฉาทิฐิสัมมาสังกปะละ มิจฉาสังกปะสัมมาวาจาละมิจฉาวาจาเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ถ้าสกะทาคามีมัคเนี่ยสัมมาทิฏฐิละอะไรสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะบอกว่าละมานะแทนคือมานะนี่มันมีหลายระดับนะมานะระระดับล่าต้องใช้สกะทาคามีมัคละมานะอีกระดับหนึ่งต้องใช้อนาคามีมัคละทีนี้ อรหัตตมรักเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิที่เกิดในอรหัตตมรักนี่แหละจึงําจัดมานะได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะคือเลิกสําคัญเลิกให้คุณค่ากับอุปาทานขันห้าโดยประการทั้งปวงคือคือถ้ายังมรักษ์ล่างๆอยู่นะถ้าอริยะยังล่างๆอยู่เนี่ยยังยึดถือในอุปาทานขันห้าสําคัญในอุปาทานขันห้ามากแม้แต่พระสกะทาคามีเนี่ยนะก็ยัง มีม a n a มากนะมีพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะเป็นพี่ชายของพระอนุรุทธะเขามีหลานหลานชื่อว่าพระเจ้าวิทูตพะพระเจ้าวิทูตภะเนี่ยที่ที่เป็นหลานลูกของนางวาสพาคติยาเนี่ยไปเป็นสนมของพระเจ้าประสเสนที่โกศลคือพระเจ้าประสเสนที่โกศลเนี่ยเขาอยากจะเกี่ยวดองกับพระพุทธเจ้า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 เพราะฉะนั้นไอการที่จะให้ลูกสาวที่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายให้ขติยะจริงๆไปเนี่ยมันก็เท่าก็ดูถูกว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นตระกูลต่ํากว่าตัวเองหมายถึงว่าไม่คู่ควรแก่แก่ศักยะตระกูลแบบเราๆเนี่ยนะวันทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยกบิลพัฒน์นี่ถือว่าเป็นเมืองขึ้นของสาวัถีนะสมัยนั้นต้องส่งสวยให้เมืองสาวัถีแต่ขนาดนั้นก็ยังมีมานะอีกนะ ก็เลยเอางี้ก็แล้วกันทาไงดีจะต้องเชื้อสักยะแต่ทีนี้มีแม่เป็นทาตะมีแม่เป็นทาตมีแม่เป็นสามัญชนพระเจ้ามหานามะเนี่ยก็มีมีทาตเป็นเป็นภรยาด้วยคนหนึ่งนะก็ได้ลูกสาวมาชื่อว่านางวาสภาคตัตยาก็เลยทรงนางวาสภาคตัตยานีเให้ไปให้ไปเป็นสนมของพระเจ้าประเสิทธิโกศล พออยู่ด้วยกันก็มีหลานคนหนึ่งชื่อว่ า, ามีลูกชื่อว่าเจ้าวิทูตะพะทีนี้เจ้าวิทูตภพะเนี่ยถามตลอดว่าตายายอยู่ที่ไหนเนี่ยนะก็อยากสืบถามหาต้นตระกูลขอ ง, งทางแม่นะแม่ก็ห้ามปรามคอยเกียดกันไม่อยากให้ลูกไปเมืองกบิลพัทเลยแต่ในที่สุด ก็ก็ห้ามไม่ได้นะก็เลยให้เจ้าวิถูตะพาเนี่ยไปนี้ไปก็ไปเยี่ยมทางศักยะที่เมืองกระบิลพัดเดินทางรอนแรมไปพร้อมกับอํามรัดคู่ใจหลายคนนะไปกันเยอะเลยทีนี้ศักยะนี่ก็ปรึกษากันว่าลูกนางวาสพะที่เป็นทาสเนี่ยมาจะทํำยังไงดีปรึกษากันเลยนะเป็นราชการใหญ่โตเลยก็เอางี้ก็แล้วกันให้พวก เด็กๆที่มีอายุน้อยกว่าวิทูทภะนี้ไปอยู่ที่อื่นไปเที่ยวที่อื่นให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องยกมือไหว้วัอวิทูตภะให้แต่คนที่มีอายุมากกว่าวิทูตภะเนี่อยู่พันพอเจ้าวิทูตภะไปถึงก บ, บิลพัทเนี่ยนะต้องไปยกมือไหว้ทุกคนเลยไม่มีใครไหว้ตัวเองเลยลก็เลยถามว่าพวกลูน้องๆเนี่ยไปไหนกันหมดไม่มีใครมาไหว้เราบ้างเลย แต่ก็บอกว่าไปเที่ยวที่อื่นกันหมดอะไรกันหมดเนี่ยนะแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็อยู่ในวงวงญาติเนี่ยนะซึ่งเขาต้อนรับไม่ดีนะักมันก็ไม่มีความอุ่นใจใช่ไหยก็เลยอยากจะกลับละมาอยู่ละทีนี้ระหว่างที่กลับไปเนี่ยอามาดเนี่ยลืมดาบเอาไว้ลืมดาบเอาไว้ในในสถานที่ที่เขาจัดไว้ต้อนรับเนี่ยนะอามาก็เลยกลับไปเอาดาบระหว่าง กลับไปเนี่ยก็เห็นพวกข้าทาสเนี่ยเอาน้ํานมเนี่ยมาล้างอาสนะเนี่ยนะมาล้างเน้นเฉพาะพิเศษเฉพาะอาสนะที่เจ้าวิถูตะพะนั่งล้างไปด่าไปว่าไอ้ลูกทาสเนี่ยมันไม่น่าเลยมานั่งสูงเนี่ยนะอํา ม, มาก็ถามว่าบ่นถึงใครก็บ่นถึงเจ้านายของเธอนะี่ยลูกทาสนะก็อํมมา ก, ก็เลยเล่าเอาเรื่องนั้นนะไปเล่าให้เจ้าวิถูตพะฟังโกรธแค้นมาก สมาทานไว้เลยว่าจะต้องเอาเลือดในลําคอของศักยะเนี่ยมาล้างตังอันนี้ให้หมดนะสมาทานมิชชัพวาจาก็เกิดขึ้นใช่ไหมสมท า, านในความเป็นคนทุศีลไม่ใช่สมาทานศีลนะสมาทานในความเป็นคนทุศีลสมาทานว่าจะต้องเอาเลือดในลําคอของลุงป้านะ้าอาทั้งหลายเนี่ยมาล้างเ ต, ตียงที่เอตังที่นั่งเนี่ยนะอาสนะที่นั่งให้ได้หลังจากนั้นอยู่ ตอนหลังเนี่ยหลานของเสนาบดีคนหนึ่งเนี่ยคือเชื่อว่าพันธุระเนี่ยพันธุระเนี่ยเขาถูกคนป้ายสีว่าเป็นกบฏพระเจ้าเประเสซนที่โกศล น, นี่ก็เลยสังฆาสังฆาพร้อมทั้งลูกทีนี้พันธุระเสนาบดีมีหลานอยู่คนหนึ่งหลานนี่โกรธแค้นมากที่ฆ่าลุงของตัวเองก็เลยวางแผนปลดพระเจ้าประเซนที่โกศลแต่งตั้ง ให้เจ้าวิทูตภะเนี่ยขึ้นครองราชแทนพอขึ้นครองราชได้ไม่นานเนี่ยนะเจ้าวิทูตภะนี้คิดถึงความหลังจะต้องเอาเลือดสักยะมาล้างที่นั่งให้ได้ก็เลยยกกองทัพไปเมืองกบิลพัทพอยกกองทัพไปเนี่ยนะก็สายสักยะโดยมากเป็นท่าริยะกันนี่ท่าริยะมันจะไปฆ่าใครได้เป็นพระโสดาบันไปแล้วนี่ฆ่าใครก็ไม่ได้ละเพราะนั้นก็เลยมีการ ยิงธนูบางก็ยิงให้เชียวเียรู้ว่าทางไม่ฝีมือดีนะแต่ฆ่าไม่ได้นั้นตอนหลังก็เจ้าวิถูตะพาเนี่ยก็ฆ่าไปเยอะแย ะ, ยะไปหมดเลยใครก็ตามที่เอ่ยคำว่าตัวเองเป็นสักยะเนี่ยตายหมดนะก็ฆ่าแล้วก็เอาเลือดมาล้างที่นั่งเยสมใจแค้นเลยเหลือพระเจ้าตาคือมหาพระเจ้ามหานามะตอนนั้นเป็นพระสะกทาคามีลนะบอกว่าอ้าวตอนนี้เสร็จภารกิจแล้ว ตากับหลานจะ บ, บริโภคอาหารร่วมโต๊ะเดียวกันเจ้ามหานามะนี่โอ้โหทําใจไม่ได้จะต้องไปนั่งกินข้าวกับลูกทาสทั้งๆ ท, ท, ที่หลานของตัวเองเอนะเชื้อสายของตัวเองนั่นแหละมานะขนาดนั้นไม่ยอมนั่งโต๊ะทานข้าวร่วมกันกับหลานก็เลยเอานี้ไงนะให้ตาอาบน้ําก่อนก็ลงไปอาบน้ําทีน่นี้สมัยก่อนนี่เขาไม่ตัดผมผมจะยาวแต่ก็ผูกมวยผมแล้วก็เอาเท้าเนี่ยไปเกี่ยวผมแล้วก็จะฆ่าตัวตายเลยนะจะดำน้ําให้ตายไป ดีว่าพญานากรับไปอันท่าสกะทาคามีเนี่ยก็มีมานะขนาดนั้นไม่ยอมแม้กระทั่งกินข้าวกับหลานในอัศมีมานะเนี่ยมันหยาบมากๆากท่านเจียงบอกว่ามานะเนี่ยหยาบเหมือนทิฐิเลยเพราะในตัวธรรมที่ทําให้เนิ่นช้าทําให้ตัวเองเนี่ยนะต้องเฝ้าวัตตะได้อย่างยืดยาวก็เพราะตันหามานะและทิฐิเนี่ยนะฉนั้นะโดยเฉพาะมานะเนี่ยนะขวางกั้นในการเจริญกุศลอย่างมาก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 อันนะเช่นความอายุมากกว่าเขาก็ทําให้เกิดมานะได้นะอายุมากกว่า น, นะผิวพรรณงามกว่าด้วยชาติด้วยโคดด้วยตระกูลด้วยผิวพรรณด้วยศิละปะด้วยวิชาความรู้ความสามารถโดยที่สุดแม้กระทั่งเป็นหัวหน้าความเป็นหัวหน้าเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดมานะหมดเลยทีนี้พอมานะเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมันเหตุใกล้ต่อโทศเรียกว่าลบเหลี่ยมกันไม่ได้นะ่นนะก็ สำคัญตัวพยองมากนั้นมานะนิทะละได้ก็เป็นท่าอรหันนั้นทําอันหนึ่งที่ตั้งสมาทานไว่จะต้องกําจัดมานะให้ได้ะทํายังไงกําจัดมานะได้นะก็ต้องอนิจจานุปัสสนานะเมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนิจจังจึงจักละมานะได้เพะนั้นคู่ปฏิปักษต่อมานะจริงๆคืออนิจจังนั้นผู้ที่เป็นท่าอรหันเนี่ยนะจึงกําจัดมานะได้อย่างเด็ดขาด อย่งางภาษาฤาบดุใช่ไหมภาษาราบตรนี้เป็นผ้าหันไปแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่กําจัดมานะได้อย่าง <Yeah. S 1> เด็ดขาดท่านเปรียบตัวเองเช่นกับแผ่นดินเปรียบตัวเองว่าเสมอกับแผ่นดินเปรียบตัวเองเสมอด้วยด้วยน้ําเปรียบตัวเองเสมอด้วยไฟเปรียบตัวเองเสมอด้วยลมเปรียบด้วยโคเขาขาดเด็กจันทานผ้าขี้ริว้วเนีห็นไหมภาษาราบดุนี่ท่านเปรียบตัวท่านขนาดนั้น ท่า น, นมานะเนี่ยมันถือว่าเป็นเหตุใกล้ให้โกรธนั้นคนที่กำจัดมานะได้แล้วไม่มีมานะนี่จึงไม่โกรธมานะเนี่ยทำให้คนเนี่ยขาดเมตตาเนี่ยนะขาดเมตตาขาดความหวังดีขาดความปรานีต่อผู้อื่นก็ด้วยอำนาจของมานะภาษาริบุตรนี้ท่านทำใจว่าท่านเนี่ยเสมอด้วยอะไรเนี่ยผ้าขีริ้วใช่ไหมทำใจว่าเสมอผ้าขี้ริว้ว ทำใจให้เสมอกับผ้าขี้ริ้วกับทําตัวเป็นผ้าขี้ริ้วนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะทําตัวเละเท่หมดเลยนะทําตัวเสมอด้วยผ้าขี้ริ้วก็ใช้ไม่ได้แต่ทําใจให้เสมอด้วยผ้าขี้ริ้วเป็นสิ่งที่ดีคือไม่ยกไม่ยกตัวไม่โ อ, โอ้อวดไม่มีมานะแต่มานะเนี่ตัวหนึ่งนะมันคือทําให้น้อยใจใครไม่ทักนี่ก็น้อยใจแล้วเนี่ยเขาไม่ยิ้มให้ก็น้อยใจแล้วนี่ลักษณะของมานะทั้งหมดนะ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 อยู่ในตัวลักษณะอันนั้นทั้งหมดนี้เป็นมานะเพราะฉะนั้นก็พยายามสรรหาความดีของตัวเองเนี่ยมามาบอกมาพูดเนี่ยนะบางทีแม้กระทั่งดีน้อยกับคนอื่นก็ยังพูดอี ก, ก น, นะนั้นมานะนี่แบ่งเป็นสามระดับใช่ไหมมานะสําคัญว่าประเสริฐกว่าเขาโอ้เราเนี่ยดีที่สุดเลยเสมอเขาก็พอๆกันนั่นแหละมานะอีกอย่างหนึ่งก็คือแหมเรานี่มันน้อยกับเขา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 รูปประขันเป็นเหมือนกับฟองน้ําก็เอาฟองน้ามาแข่งกันใชจะดีตรงไหนถ้าเวทนาขันเหมือนต่อมน้ำน่ะเอาเวทนามาแข่งกันทําไมถ้าสัญญาขันเหมือนพยับแดดไม่รู้จะเอาสัญญามาแข่งกันทําไมถ้าพิจารณาสังขารเหมือนกับต้นกล้วยก็แข่งกันเรื่องกาบกลว้วยว่าต้นใครมีกาบมากกว่ากันต้นไหนมีกาบมากกว่ากันมีประโยชน์ตรงไหนถ้าวิญญาณาขันเหมือนมายากลมายาก็แปลว่าหลอกลวงอ่ะนะมายามันก็คือเงาอ่ะนะ ก็แปลว่าหลอกลวงฉะนั้นวิญญาณนี่เป็นตัวมายาโกนอ่ะเป็นตัวหลอกลวงแล้วก็เอาสิ่งที่หลอกลวงมาแข่งกันทําไมนะทันถ้าพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่รู้จะแข่งกันทําไมบางทีก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นสิ่งที่มาแข่งกันถ้าพิจารณาว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่รู้จะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงมาแข่งกันทําไม นนั้นไอ้พวกโรคน้อยเนื้อต่ําใจเป็นต้นก็จะลดลงได้ความสําคัญตนเป็นต้นก็จะถูกลดลงไปก็ต้องมาเห็นคุณว่าถ้าละมานะได้เนี่ยดีถ้ามีมานะนี้ก็เสียหายเนี่ยนะบางคนเนี่ยมีมานะถึงขนาดว่าไหว้พ่อก็ไม่ได้ไหว่แม่ก็ไม่ได้ฟังใครก็ไม่ได้ฟังคนอื่นน่ารำคาญไปหมดเลยแต่ฟังตัวเองได้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ลักษณะของมานะที่หยาบมากๆเลย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 ทีนี้ไอการไม่บูชานี่เป็นเหตุให้ดูหมิ่นคนอื่นนี่สิเนี่ยนะอย่างท่านสุเนศเนี่ยนะอดีตก็ดูหมิ่นท่าประเจกพระพุทธเจ้าดูหมิ่นคนที่ควรบูชาเนี่ยนะว่าถ้าไม่มีอาชีพอะไรจริงๆก็ไปหาอุจจระไปสมัยใหม่ก็ไปทําอาชีพดูดซ่วมไปอะไรไปเนี่ยนะนั้นะไอ ร, รมวาจาเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเหตุให้ตัวเองนี้เกิดในตระกูลตา่าแม้กระทั่งสุปปพุทธกุติคนโรคเรื้อนี่ยก็ด้วยมา n น a ะในอดีตนั่นแหละ ทำให้ไปดูหมิ่นถ้าประเสกครับผู้แต่เจ้าตัวเองก็เลยเกิดเป็นคนโรคเรื้อนเนี่ยนะแล้วก็มานะเนี่ยเป็นเหตุให้ดูหมิ่นเหยียดย้ำคนอื่นสิ่งที่เราดูหมิ่นคนอื่นไว้อย่างไรนั่นแหละคือเราในอนาคตเนี่ยนะเพราะว่ามานะเนี่ยเป็นเหตุให้ด่าใครก็ได้มันตั้งสมาทานว่ามานะนี่เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลต่ําจะต้องสมาทานในคาราวะจะนิวาโตจะใช่ไหมความสมีสัมมาคาระวะการ อ่อนน้อมถ่อมตนพวกนี้เป็นมงคลมานะนี่มันอัปมงคลนะเวลามันเกิดขึ้นชูในตอนตอน้นแต่ก็ต้องก้มตลอดไปตอนที่สมมุติว่าชาตินี้มีมานะมากชาติหน้าเกิดเป็นขอทานเป็นยาจกเนี่ยนะก็กลายเป็นคนต้องก้มตลอดเวลาเนี่ยนะก้มด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจนั่นะก็มันก็มานะอีกว่าเรานี่เลวกว่าเขานะมานะก็เป็นเหตุให้เกิดมานะหนักๆเขาก็นั่นแหละ เป็นสัตว์เลื้อยคลานไปเลยนี่ก้มตลอดกาลเลยครันี่ทำไมพระอนาคามียังมีมานะคือท่านมีมานะในความเป็นเช่นเอามานะเนี่ยเอาชานเป็นเครื่องเปรียบไอ้พวกนั้นไม่มีชานเรานี่มีชานก็ด้วยอำนาจของมานะแต่ไม่ได้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดโทสะแต่ถึงพูดถึงคนทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยนะคนทั่วๆไปธรรมดาที่น้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยโดยมากมานะเป็นปจัจจัย แต่ถ้าเป็นผ้านาคามีแล้วเนี่ยท่านจะมีมาณะอะไรระดับสูงที่เรียกว่าเอาฌานเป็นเครื่องเปรียบเอาสุขเวทนาเป็นต้นเป็นเครื่องเปรียบเอาปียรูปสาตรูปว่าบุคคลอื่นไม่มีใครได้ฌานเหมือนเราเรานี้ได้ฌานเราจะเข้าสมาธิก็ง่ายพวกนี้นฟุง้งซ่านกันอะไรอย่างนเนท่านก็สาหรับผู้ที่ไม่เป็นผ้าอรหันเนี่ยนะอุปาทานขันห้าก็ยังเป็นปัจจัยแก่อคุล น, นั่นคือพิษร้ายของ อุปาทานขันห้ามมันสะท้อนให้เกิดบาปแล้วอกุศนผู้ที่ทำปริญญาในอุปาทานขันห้าไม่สำเร็จก็ตามมาด้วย อ, อักุสนพระนาคามีเนี่ยนะถ้ายังไม่เพียรปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ยังตำหนิอีกว่ายังยินดีในในภพท่าขับพระ อ, องค์แต่พระ อ, องค์ใช้คำหนักหนะ พบแม้มีประมาณน้อยก็ชื่อว่าเป็นของไม่ดีเหมือนอะไรเหมือนอุจจระแม้จะมีประมาณน้อยก็ชื่อว่าเป็นของไม่ดีเนี่ยส่วนธรรมสองที่ควรละคืออะไรธรรมสองที่ควรละคืออวิชากับภาวะตัณหาอวิชาคืออะไรคือความไม่รู้ในฐานะสี่ประการไม่รู้ในทุกนะความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขานิโรธ ความไม่รู้ในทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาอันนี้ผู้ตามพระสูตรทั่วๆไปเนี่ยนะโดยมากว่าอาวิชชาเป็นฉไนเะช่นในในอะไรนะในปฏิจจสมุปบาทใช่หมอวิชชาปัจยาสังขาราสังขารปัจยาวิญญาณังเนี่ยนะแล้วก็ถามว่ากเทตุกรรมยตาปุจชาว่าอาวิชชาเป็นฉไนะความไม่รู้ในทุกข ความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขานิโรธาขามิหนีปฏิปทาเสความไม่รู้สี่ประการนี่แหละเรียกว่าอวิชชาแต่ถ้าตามอภิธรรมตามอภิธรรมนี้อวิชชาคือความไม่รู้ธรรมะแปดประการไม่รู้แปประการมีอะไรบ้างอวิชชาคือหนึ่งความไม่รู้ในทุกสองไม่รู้ในทุกขสมุทัย สามไม่รู้ในทุกขานิโรธสี่ไม่รู้ในทุกขานิโรธคาขมินีปฏิปทาห้าไม่รู้ในขันธาตุอายตนะที่เป็นเบื้องต้นคืออดีตที่ผ่านมาหกไม่รู้ขันธาตุอายตนะอนาคตต่อไปเจ็ดไม่รู้ทั้งส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ขันธาตุอยตนะที่เป็นอดีตเป็นอนาคตอะไรเลย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 เราจะว่าไม่ใช่แค่ไม่รู้นะแต่มันเป็นศัตรูแห่งความรู้เป็นปฏิปักษ์แห่งความรู้อ่ะตัวนั้นเนี่ยหมายถึงศัตรูเลยแหละอย่างเช่นอกุศลเนี่ยคือสิ่งที่เป็นปฏิปัติต่อกุศลเช่นเมตตาเนี่ยนะเออขออภัยโทสะนี่เป็นศัตรูกับเมตตาความโลภเป็นศัตรูต่อความไม่โลภความลุ่มหลงเนี่ยเป็นศัตรูของปัญญาพัะอวิชชาเนี่ยนะเป็นศัตรูที่สําคัญของ วิชาเป็นปฏิปักษต่อวิชาจึงเรียกว่าอวิชานะไม่รู้ในทุกขาริยศาส์เนี่ยนะก็ถ้ารู้เป็นยังไงคิดนะถ้าถ้ารู้แล้วจะเอามาเปรียบจึงจะเข้าใจชัดของคําว่าไม่รู้ไม่รู้นี่เป็นยังไงไม่นก็คิดง่ายๆว่าเนี่ยอย่างเราเห็นใครเนี่ยนะคิดถึงแม้แต่คําว่าอริยศาส์เนี่ยคิดถึงบ่อยไหมตรงเนี้ยเห็นว่ามันปิดสนิทเลยนะ คิดถึงเพื่อนคิดถึงใครก็ได้คิดถึงอะไรก็ได้เนี่ยแล้วลราคิดถึงคําว่าทุกขสัตว์ตามด้วยไหมคิดถึงคําว่าสมุทัยสัตว์แม้กระทั่งแค่คิดถึงอริยสัตว์ยังไม่คิดเลยนั่นแหละบอดสนิทมากๆเลยนะสนิทจริงๆแต่ถ้าหากว่าในสิ่งใดที่เราเอามาพิจารณาโดยอริยสัตว์คิดคิดอีกในหนึ่งเนี่ยนะทุกเรื่องที่เราคิดถึงเนี่ยคิดถึงธรรมาจับคู่ด้วยไปด้วยเนี่ยจะเห็นชัดว่า ถ้าเราไม่คิดถึงคําสอนตามแนวธรรมจักนั่นแหละเป็นอวิชชาหมดเลยนี่นเองั้นเวลานึกถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ต้องชาติปิทุกขาจาราปิทุกขาตันหาโปโนภวิกาเป็นต้นเนี่ยต้องคิดถึงอริยสัจเอาไว้เสมอเลยถ้าไม่คิดถึงอริยสัจเอาไว้นั่นแหละเป็นอวิชชานั้นอวิชชาเนี่ยเป็นธรรมะที่จะต้องละนั่นเนและอีกตัวหนึ่งก็คือภาวะตันหาภวะตันหาได้แก่ ความปรารถนาในพบมีการมาพบเป็นต้นความปรารถนาพบใช่ไหมต้องการเกิดใหม่นะความพอใจในพบความกำหนัดในพบความเพลิดเพลินในพบความอยากในพบความเสน่หาในพบความเร่าร้อนในพบความสยบในพบความผวองหลงไหลในพบเนี่ยนะอันนี้แหละลักษณะของภวะตัณหาปรารถนาที่จะเกิดอีกปรารถนาที่ขอให้มีได้มีพใหม่เนี่ยนะ ตัวภาวะตันหาเนี่ยตัวเนี่ยที่บรรทอนทาให้ไม่คิดจะภาคเพียนเพื่อให้ตรัสรู้อริยสัจใช่ไหมพวกนี้ก็เป็นกลุ่มหวังน้ําบ่อนหน้าไปเรื่อยๆนั่นเองหวังไปเรื่อยหวังหวังไปหวังหวังหวังชาตินั้นชาตินั้นชาตินั้ น, น, นไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้นะหวังว่าสาธุชาติหน้าขอให้ได้คิดง่ายๆในะใครบอกว่าขอปรารถนรู้อริยสัจชาติหน้าเนี่ยเขามาว่ามันเข้าใจผิดมากๆเลย ถ้าชาติหน้าที่เป็นมนุษย์ด้วยยิ่งมหาเข้าใจผิดเลยนะเพราะคิดหรือขนาดชาตินี้นะยังขนาดนี้นะปลายน้ําขนาดนี้แล้วชาติหน้าจะแปลปลายขนาดไหนมันจะแผ่ขนาดไหนนาะเนี่ยนะเพราะนั่นะแอบภาวะตันหาเนี่ยคือความปรารถนาในการมาพบเนี่ยนะถามว่าวเอ้คนเนี่ยปรารถนาอยากจะเกิดเป็นเปรตนี่มีไหมยอมว่ามีหรือไม่มีมีพวกที่ปรารถนาจะเกิดเป็นเวมานิกรเปรนเนี่ยนะ คือบางช่วงไปเห็นสมบัติของพวกเวมานิกระเปรต์ก็เลยอยากเป็นอย่างนั้นบ้างนะมีถามว่าพวกปรารถนาอยากเป็นเดราัฉานี่มีไหมมีทําไมจะไม่มีเยอะแยะไปบางคนก็อยากเกิดเป็นหมาอย่างนั้นบางคนเด็กกัเคยเห็นไหมสมัยเด็กๆบางคนเขาบอกขออยากเกิดเป็นนกถ้าเป็นนกนะฉันจะได้บินไปเรื่อยออถ้าเป็นผีเสื้อนะฉันไม่ต้องมีใครมาคอยดูแลก็บินไปเรื่อยใช่ไหม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 ตายก็เกิดไหนหน่ากลัวกันเกิดในน่ากลัวนะเช่นตายจากมนุษย์เกิดในนรกอันนี้มันน่ากลัวตายจากมนุษย์เกิดในเดรัชานก็น่ากลัวตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเปรต ก, ก็น่ากลัวหรือตายเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ถือว่าน่ากลัวเพราะไปเกิดผิดประเทศเนี่ยนะประเทศ ท, ที่อดอยากอะไรจะเกิดขึ้นประเทศ ท, ที่ประชากรเนี่ยนะอย่างประชากรบางประเทศนะแถวแถวไอ้ตะวันอทวีปแอฟริกาเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะ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 อันถ้ายินดีในการเกิดนะเราจะมาเกิดเป็นอะไรกันเนอะพันธ์ทสองที่ควรละเลยคืออวิชากับภวะตันหาความไม่รู้อริยสัจนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องละจริงๆเลยนะควรละเลยแล้วก็ความปรารถนาที่จะเกิดในภพใหม่อันนี้ก็ต้องละอวิชาละด้วยวิปัสนาภาวะตันหาละด้วยสมถะมันสมถาวิปัสนาเป็นปฏิปัติต่อการละอวิชากับภวะตันหา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 พวกนี้ถือว่าชีวิตนี่จบแค่ตายอพวกนี้และลักษณะของตัณหาที่เกิดร่วมกับอุเฉธ ท, ธทิฏฐิเป็นวิภวะตัณหาส่วนตัณหาที่เหลือคือนอกจากกานอกจากภาวะตัณหานอกจากวิภวะตัณหาเป็นกามะตัณหาก็คือตัณหาที่เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโธนโทพะทั่วๆไปที่ไม่ไม่ได้เกิดร่วมกับสัสตทิทิฏฐิไม่ได้เกิดร่วมกับ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 ไปแปลอย่างนี้เสียหายนะเช่นบางคนก็บอกว่าตอนแรกก็อยากมีก่อนอยากมีอยากเป็นก็เป็นภวะตันหาตอนหลังก็ไม่อยากมีแล้วก็เลยเป็นวิภาวะตันหาบางคนมั่วถึงขนาดว่าภาวะตันหาเช่นอยากมีคู่ครองวิภาวะก็อยากหย่าเพราะงั้นอันนั้นก็มั่วไปอีกนะยิงมั่วจัดๆเข้าไปอันสรุปว่าภาวะตันหาคือตันหาที่ภวะตันหามีอยู่สองในนะเห็นชัดๆเลยภวะตันหาในที่หนึ่งก็คือ เกิดร่วมกับสัสตทิฏฐิในที่สองก็คือยินดีในรูปฌานอรูปฌานยินดีในรูปภพอรูปภพเนี่ยนะวิภวะตันหานี่เกิดร่วมกับอุเฉท ท, ทิฐิอย่างเดียวคือพวกนี้ถือว่าตายแล้วชีวิตเหลือแต่ขี้เท่างั้นเถะนะเหลือแต่ขี้เท่าอนะจบที่ขี้เท่าอ่ะพวกนี้เป็นอุเฉท ท, ทิฐิส่วนในอัตถกถาทัศุตระสูท่านบอกว่าราคะที่เป็นไปในกามคุณห้าชื่อว่ากามตันหา เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะเนี่ยนะเช่นดมดอกไม้หอมจังเลยอย่างเงี้ยลักษณะนี้เป็นกามตัญหาถ้ายินดีในรูปประพบอรูปประพบราคาสหรคตด้วยความไข่ในฌานหรือเกิดร่วมกับสสตทิฐิหรือว่าปรารถนาพบอันนี้ก็ชื่อว่าภาวะตัญหาแล้วภวะตัญหานี่ก็กว้างหน่อยใช่ไหมยินดีในรูปฌานอารูปฌานยินดีในรูปประพบอรูปประพบและเกิดร่วมกับ สัสตทิฐิอันนี้แหละเป็นภาวะตันหาส่วนตันหาที่เกิดร่วมกับอุเฉททิฐิชื่อว่าวิภวะตันหาอันนี้ผู้ตามทัศสุตรสูตรทีขณิกายสูตร ส, สุดท้ายของทีขณิกายที่พระสารีบุตรแสดงเอาไว้แม้ตันหาท่านกล่าวไว้โดยปริยายแห่งสังคีติสูตรและก็โดยปริยายแห่งคัมภียรพิธรรมว่าตันหาสามอย่างอื่นอีกคือกามตันหา รูปปัตนหาอรูปปัตนหาอย่างอื่นอีกคือรูปปัตนหาอรูปปัตนหานิโรตตันหาแล้วก็ก็ถูกเหมือนกันนะะตามตามคําอธิบายนี้ตันหาเหล่านั้นตันหาประกอบด้วยการมาธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุตันหาสุดท้ายคืออะไรนิโรตตันหานี่หมายถึงตันหาที่เกิดร่วมกับอุจเฉททิฏฐินะไม่ใช่ตันหาที่เกิดร่วมกับนิพพานนะไม่ใช่แต่ นิโรธตันหาตัวนั้นเนี่ยก็คือตันหาที่ถือว่าตายแล้วจบเลยบางพวกเนี่ยพวกนิโรธตันหาพวกนี้หมายว่าเช่นไปเกิดในสวรรค์แล้วไปปรินิพานที่สวรรค์หรือถ้าไปเกิดในอรูปประพรมแล้วไปปรินิพานที่อรูปประพรมหมายว่าไปปรินิพานที่ภพนั้นๆไม่ได้ปรินิพานด้วยอริยมรรคอะนะลักษณะนี้ก็เป็นนิโรธาตันหานเนี่นะตัหาที่สาคัญว่าดับศูนย์ไปเลย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 แต่ว่าชาติหน้าเขาไม่อยากเกิดเด็กว่ามักเขาเจริญง่ายจังเลยในการไม่เกิดของเขาเนี่ยคือเขาเข้าใจผิดว่าเขาไม่อยากเกิดแล้วอ่างนั้นแต่เขาไม่เจริญอะไรสักอย่างนะเพราปล่อยชีวิตช้าชามเย็นกะลมังอะไรไปเรื่อยเนี่ยเย็นกะลมังคือสักพ่างเตันหาสามเหล่านี้ก็เป็นธรรมที่ควรละนะเพราะว่าตันหาพวกนี้เป็นอะไรสัจจะตันหาเป็นสมุทยาสัจจะเนี่ยนะกลุ่มต้นเหตุแห่งการเกิดในภบใหม่นี้ต้องต้องละโดยส่วนเดียว ส่วนธรรมสีที่ควรละคือโอคะสีโอคะมีสีนะหนึ่งกามโมคะสองพโวคะสามทิโถโคะสีอวิชโโชคะโอคะนีแนนะ่แปลว่าห่วงน้ําเนี่ยนะโดยศัพดลว่าห่วงน้ําแตกความหมายของเขาแปลว่าย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้จมลงห่วงน้ําเนี่ยเป็นลักษณะไหนก็ลักษณะได้ปีก่อนอนะ่ะที่เพชรบูรณ์น้ําท่วมมันนะเป็นเป็นลักษณะของน้ําที่มันบ่ามาแล้วก็ท่วมท่วมให้จมลงไปเลยอ นั่นแหละลักษณะของคาว่าโอคะนี่ก็เหมือนกันตันหากามโมคะพะโะอคะกามนี่ก็เหมือนกันไหลท่วมทับสัตว์ให้จมลงในวัตต์ทิทีก็ไหลท่วมทับสัตว์ให้จมลงในวะตะัตอวิชาก็ไหลท่วมทับให้สัตว์ตนี่จมลงในวะตะัตเพราะนั้นโอคะแปลว่าห้วงน้ำความหมายก็คือทำให้สัตว์นี่จมลงอยู่ในวัตะ ก็บอกว่าพวกปูตุชนเนี่ยนะปูตุชนเนี่ยจมอยู่ในห้วงน้ำตลอดเลยนะลักษณะของปูตุชนนะถ้าเป็นพระโสดาบันนี่ก็โผล่พ้นแล้วก็แง้มมองรอบทิศได้แงะพ้นน้ำเนี่ยแล้วก็แงนได้พระสกทาคามีเนี่ยเห็นฝั่งแล้วก็เลยไหว้ท่านนาคามีนี่ก็อยู่ใกล้ๆใกล้ๆฝั่งผ้ารหานก็ขึ้นขึ้นบอกเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ยังไม่ได้เป็นพระอาริยะก็จมอยู่เลยนะ ท่วมทั้งตาท่วมหูท่วมจมูกท่วมลิ้นท่วมกายท่วมใจท่วมหมดเลยเรียกว่าโอคะความท่วมทับเนี่ยนะหนึ่งการโมคาเนี่ยนะโอคะที่ความติดใจในการมคุณเนี่ยท่วมทับเอาไว้ท่วมน่ยนะตาเห็นสีสวยก็ตานหาเนี่ยท่วมไปเลยหูฟังเสียงเพ่อก็ท่วมไปเลยนั้นกามโมคาเป็นชื่อของกามัตตาหาที่มันท่วมทับให้เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสและโภทะพะ ส่วนพโวคะเนี่ยนะพโวคะเนี่ยมีคือความยินดีในรูปประพบอรูปประพบความยินดีในรูปประพบอรูปประพบเนี่ยนะยินดีทั้งสองอย่างคือกรรมมพบกับอุปาติภพคือรูปประพบเนี่ยแบ่งออกเป็นสองคือหนึ่งกรรมมพบกับอุปาติภพอรูปประพบก็มีเป็นสองคือกรรมมพบกับอุปาติภพกรรมมพบคืออะไรคือกรรมมพบนะก็คือรูปประชานและอรูปประชานคือกรรมมพบ อุปติภพก็คือรูปประพรมกับอรูปประพรมรูปประชานกับรูปประพรมเหมือนกันไหมเหมือนไหมไม่เหมือนเนอารูปประชานเนี่ยคือกรรมภพรูปประพรมนี่เป็นอุปติภพเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าพระโวคานี่ก็คือความติดใจความยินดีในรูปประชานอรูปประชานยินดีในรูปประพรอรูปประพบคือยินดีทั้งกรรมภพและ อุปติภพปัขนขณะใดาที่ตนคนที่ได้ฌานเนี่ยนะยินดีในฌานด้วยอำนาจตันหาอันนั้นแหละเป็นพระบูคาตันหาก็ท่วมทับฌานอีกนะท่วมทับทำให้ไม่คิดจะออกจากวัตฏะนะอุ้ยสบายแล้วเราเกิดในพรหมโลกแล้วนี่นะมาอีกทีหนึ่งอ้าวงั้นหมดศาสนาไปแล้วอย่างงี้ศาสนาคืออะไรศาสนาคือคำสอนที่นำออกจากวัตทุกข์เนี่นะปัาหากว่าเราทั้งหลาย ปล่อยโอกาสที่จะศึกษาศึกขาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะโอคามันจะท่วมทีนี้มันยิ่งท่วมมากข้นนะไอไอห่วงน้ําอันเนี้มันเหมือนกับอะไรมันเกลียววังน้ําบนใช่ไหมมันก็ดูดลงไปถึงไหนโน่นก้นบาดานโน่นดูดสูบลงไปถึงนรกเป็นต้นเนี่ยนะส่วนโอคาคือทิฏฐิหรือ ท, ท, ที่เรียกว่าทิฏโขคะเนี่ยเป็นชื่อของสตโลโลกแปลว่าโลกเพี่ยงอันนี้สัตตทิฏฐิใช่ไหม โลกไม่เท er ี่ยงเป็น <proceso> อ <Books nu. S 2> ุเฉททิฐ <pudding> <jähr iger difference> ิบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเป็นเอกจัสมาติทิติบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเรานี่ไม่เที่ยงหรอกแต่พระเจ้าเที่ยงพรมเนี่ยเที่ยงอันนี้เป็นเอกจัสมาติทิติก็คือสัจจะทิตินั่นแหละบางพวกนี่ก็บอกว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบางพวกบอกชีพก็อันอื่นสรีระก็อย่างหนึ่งชีพอย่างหนึ่งสิริระอย่างหนึ่ง ก็บอกว่าชีวะกับสรีระถ้าสิ่งเดียวกันเนี่ยพวกเนี่ยชื่อว่าตายแล้วศูนย์แต่แปลกว่าบางพวกเชื่อว่าตายแล้วศูนแต่กลัวผีนี่สิหน้าหนักใจสักตายแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่กลัวผีมากเลยแปลกแม่คนเนี่ยมันก็แสดงว่าในคนคนเดียวเนี่ยนะไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่นะเขาบอกว่าพวกมิจฉาทิฐิบุคคลเนี่ยนะมันว่ากันเป็นพักๆนะอีกพักหนึ่งก็ว่าเที่ยงอีกพักหนึ่งมันก็บอกว่าศูนย์เอาแน่ม่นอนไม่ได้หรอก เพื่อมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็ถือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกบางพวกบอกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วไม่เป็นอีกเอ๊ถามว่าอะไรนะถามว่าสัตว์ตกลงตายแล้วมีอีกหรือไม่มีอีกสัตว์นะตายแล้วมีอีกหรือไม่มีอีก อ, อ๋อสัตว์ไม่มีใช่ไหมอขาเก่งมากสาธุขอให้เห็นอย่างนั้นเถอะนิสัตโตนิชีโวศุลโยสัตว์นี้เป็นบัญญัตินะเป็นโวหารที่เอาไว้เรียกกันเห็นไหม แต่พวกนี้มาเถียงว่าโอ้ยสัตว์บางทีตายแล้วเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีนี่ยนะคนนี้ก็เป็นลักษณะของทิถโถขฆะนะที่ท่วมทับเดี๋ยวมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องทิถโถขฆะเรื่องทิถิเนี่ยนะเดี๋ยวเรียนเรื่องในในเล่มอุทานอุทานนี่จะมีคําอธิบายพิสดารแล้วก็ข้างหน้าต่อไปก็มีอีกนะโอคะคื อ, อวิชาชื่อว่าอวิชโขฆะอวิชโขฆก็คือนั่นแหละไม่รู้แปดประการที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละไม่รู้ใน ทุกไม่รู้ในทุกขสมุทัยไม่รู้ในทุกขานิโรธไม่รู้ในทุกขานิโรธถาขม่นีปฏิปทาก็คือไม่รู้อริยศาสตร์นี่แหละไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตอะไรเลยเนี่ยนะหรือเนี่ยไม่รู้อะไรเลยก็นั่งทำตาปรีบๆเนี่ยเห็นแต่สีไม่นึกคำสอนอะไรไม่ได้สักอย่างนี่แหละอวิชามันเล่นงานท่วมนะเคยเห็นเห็นดอกไม้ก็เห็นแต่ดอกไม้เนี่ยก็ดอกไม้อะก็ดอกไม้ ก็ได้เท่านี้จริงๆเลยนะถ้าอย่างงี้นี่แหละโอ๊ยมันทําไมมันปิดบังสนิทขนาดนี้ก็ไม่รู้นะอวิชชาอะไรจะมากขนาดนั้นก็ไม่รู้ดีไม่ตายตอนนั้นตายตอนนั้นก็เป็นแมลงกระเดือบๆอยู่แถวๆนั้นนะส่วนธรรมห้าที่ควรละเลยนะธรรมห้าที่ควรละก็คือนิวรห้านิวรห้าหนึ่งการมาฉันทะสองพยาบาทสามทีนัมิทัศศีอุทาจากักขุกุจจะห้าวิจิกิจช้ชาอนนะนิวรหอนี่แปลว่าห้าม นิวรนาเนี่ยเครื่องห้ามหรือมันรัดเรึงตรึงจิตเอาไว้เนี่ยนะมันห้ามทำอะไรนิวรน่ห้ามอะไรก็ห้ามเจริญสมถาวิปัสนาไงเนี่ยโดยเฉพาะห้ามเจริญสมถานเนี่ยชัดเลยนิวรน่ห้ามเจริญกรรมฐานมันไม่ให้จิตเป็นไปกับกรรมฐานอะไรรัดตรึงตรึงจิตเอาไว้เลยเนาะชื่อว่ากา ม, มาเพราะเป็นเหตุใครเป็นเหตุให้สัตว์คาอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึง กามคุณห้าบางท่านก็เลยนี่ไงกามคุณเนี่ยกามก็มีคุณนะเขาเลยเรียกว่ากามมาคุณเออดีมากเลยกามมันมีคุณนะเขาจึงเรียกว่ากามมาคุณอ่ะนี้มายังไงอีกก็ไม่รู้นะไม่รู้โผล่มาจากไหนไหนเพิ่งตื่นเอางั้เนี่ยคือคุณนะตัวนั้นเนี่ยแปลว่ารัดเนี่ยนะแปลว่ามัดกามที่เป็นวัตถุกามเป็นที่ตั้งแห่งความตรึงความมัดการร้อยการรัด นะเพราะว่าวัตถุกรรมเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินก็เลยเรียกว่ากรรมมาคุณกามมคุณเนะเป็นที่ตั้งแห่งรอยรักจิตเ น, นี่ยนะเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความรักเป็นที่ตั้งแห่งความใคราเป็นท่าเป็นสิ่งที่ทําให้ใจลุ่มหลงก็เลยเรียกว่ากามมคุณความพอใจในวัตถุกรรมเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่ากามมาฉันทะ ะนะความพอใจในวัตถุกรรมเนี่ยนะอย่างอย่างที่เขาว่าเวลาเจริญกรรมฐานไปก็นึกถึงแต่ภาพที่สวยๆคิดถึงแต่เสียงที่เพราะๆที่ตัวเองพอใจอ่ะนะบางคนเนี่เจริญกรรมฐานไปร้องเพลงไปในใจไปด้วยอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมพวกนี้แหละเรียกว่ากามฉันท่ามันท่วมทับครอบงําจิตหมดเลยบางคนก็นั่งเจริญกรรมฐานไปคุยกับเพื่อนไปอย่างนี้นะคิดเองนั่นแหละในใจนั่นแหละลักษณะนี้ก็เป็นกามฉันท่าที่ท่วมทับในใจ หรือชื่อหนึ่งคําว่าการเนี่ยแปลว่าย่อมใครคําว่ากามเนี่ยนะโดยศัพท์เนี่ยหมายถึงวัตถุกรรมก็ได้หมายถึงกิเลสกรรมก็ได้เนี่ยนยะวัตถุกรรมนี้เป็นอัพยากตะใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสโพธะเป็นอัพยากตะส่วนกิเลสกรรมเป็นเป็นอัปปุศลทีนี้อัปปุสลที่ยินดีในวัตถุกรรมเหล่านั้นแหละเรียกว่าการมาฉันทะนั้นความพอใจในวัตถุกรรมตัวนี้เรียกว่าการมาฉันทะ กามฉันทะตัวนี้ไม่ใช่กัตตุกรรมยตตาฉันทะไม่ใช่มีศรัทธาที่จะเจริญกุศลนะไม่ใช่เป็นชื่อของอผู้มีศรัทธานะไม่ใช่แต่เป็นชื่อของผู้ที่มีตัณหาผู้ที่มีเยื่อใยในอะไรลักษณะของความเยื่อใยในรูปเสียงเปร่นรสโพธิภะ ท, ทั้งหลายทำให้ไม่สามารถเจริญกรรมฐานได้ไม่สามารถเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ไม่สามารถที่จะเจริญเมตตาเจริญอะไรได้เลยเพราะถูกไอกิเลสกามนี่มันท่วมทับจิตเนี่ยนะทำให้จิตเนี่ยวนวนว น, วนเหมือนกับอะไรเหมือนกับแมลงพึ่งที่บินวนว น, วนอยู่ตามดอกไม้นั่นแหละแล้วก็การมตัญหาเนี่ยนะมันมันไม่เคยอิ่มด้วยนะไม่รู้จักเต็มอิ่มพระองค์ตรัสไว้ในตัญหาวักว่าไอ้การมตัญหามันเหมือนกับลิงในป่าที่เคยเห็นลิงเนี่ยมันตกไปนั่งที่พื้นดินเจ่าอยู่ไหม ไม่ใช่มันก็โหนต้นนี้ไปหาต้นนั้นโหนไปเรื่อยแล้วโหนไปในปา่าโหนไปโหนมาเดี๋ยวก็หมดกิ่งให้โหนใช่ไหมไม่ใช่เนาะชันใดก็ดีลักษณะของตัญหาก็เหมือนกันเพลิดเพลินในการเห็นเพลิดเพลินจากสีหนึ่งไปสีหนึ่งจากเสียงหนึ่งไปเสียงหนึ่งตายเรื่อยๆเนี่ยนะเหมือนกินซากินให้พอกินให้อิ่มจะเลิกกินต่อไปเนี่ยนะใช่ไหม ไม่ใช่เนี่ยนะยิ่งกินยิ่งโอ้อันนั้นก็ยังไม่ได้กินเลยอันนั้นก็แม่ต้องกลับไปกินใหม่เนี่ย νε, ก็อยู่อย่างนั้นแหละลักษณะนั้นเป็นกามฉันท่านิวรกาเมฉันท่านิวร์เนี่ยแปลว่ากิเลสกามมันห้ามรัดเรึงตรึงใจเอาไว้ไม่ให้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะห้ามการเจริญกุศลเนี่ยนะอย่างไรนะเออฟังธรรมเดี๋ยวฟังอาทิตย์หน้าก็ได้เดี๋ยวอาทิตย์นี้ฟังเพลงก่อนเนี่ยนะอาทิตย์นี้เดี๋ยวไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยศึกษาพระธรรมก็ได้ อนะก็คือมีเหตุผลจนไม่ต้องทําบุญนั่นแหละลักษณะของการมาฉันท่านิวรที่ท่วมทับเนี่ยนะนะเดี๋ยวไปเต้นรำก่อนแล้วนะค่อยไปร้องอ่ะนะสลับกันอ่ะนะของคนละอาทิตย์อย่างนี้ด้ว่าบางคนเนี่ยแบ่งเป็นมากอ่ะนะเหมือนเก่งเลยเนาะส่วนพยาบาทเป็นยังไงพยาบาทนิวรพยาบาทก็คือตัวรัดเริงห้ามไม่ให้เจริญกุศลเนะีนะ่ยแหละท่านบอกว่าพยาบาทนี้เพราะย่อมปองร้ายคือถึงความเสียไปด้วยความปองร้ายนั้น มันปองร้ายตัณหาเนี่ยนะมันติดในอารมณ์แต่ถ้าโทสะหรือพยาบาทมันคิดประทุษร้ายอารมณ์น้อมไปเพื่อทําลายอารมณ์หรืออีกในหนึ่งท่านบอกว่าจิตที่ยังวิไนยยังอาจาระรูปสมบัติประโยชน์สุขให้ถึงความพินาศตัวที่ทําลายสังวรวิไยตัวที่ทําลายปหานาวิไน ตัวที่ทําลายอาจาระทําลายอาจาระอาจาระก็คือความประพฤติที่ดีนั่นแหละที่เป็นกุศลความประพฤติที่มีโทษเวลาโทสะเกิดเนี่ยนะมันละเมิดวินัยนะละเมิดสังวรวินยัยละเมิดตทหารวินยัยเวลาโทสะเกิดก็ทําให้อาจาระเสียหายทําลายรูปประสมบัติด้วยนะความถึงอะไรนะหน้าตาปกติคนนี่ควรจะยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสใช่ไหมมันบึ้งไปได้ยังไงก็โทสะนี่แหละมันทําให้ ปกติมนุษย์เนี่ยเป็นธรรมชาติที่น่าจะอ่อนโยนใช่ไหมทำไมมันหยาบกระด้างไปได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าทํารูปสมบัติให้เสียหายทําให้รูปที่ที่ควรจะงดงาม น, นี้เสียหายไปเพราะฉะนั้นผิวที่เสียหายทั้งหลายเนี่ยเป็นผลของอะไรโทสะพันธ์เวลาอะไรนะมานึกถึงเนี่ยขอ ม, มานั่งดูแผลเป็นตัวเองเนี่ยนะที่มือเนี่ยนะมีเป็นร้อยเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยมานั่งนับแนละ้วมีเป็นร้อยๆอยเลยรอยขีดร้อยข่ยขวนรอยอะไรทั้งหลายแหละในะความที่เราสนมากไนงะ ก็เห็นนะเออเนี่ยเป็นผลของโทสะนี้เศษเศษนะอย่าไปคิดอะไรมากถ้าตรงๆมันให้ผลนนทรไปอยู่ในอบายเนี่ยนะเพราะว่าไอ้โทสะเนี่ยนะพยาบาทตัวนี้ถ้ามันมีกำลังแรงกล้าเนี่ยมันดุร้ายเหมือนงูเลยเคยเห็นงูที่ถูกปีไหมเนี่ยนะมันงูที่ที่ถูกปีนะมันจะโดยเฉพาะงูเห่าด้วยนะมันแผ่มัน แสดงริดเด็กของมันเต็มที่เลยแหละนันไอตัวโทสะเวลาที่เกิดขึ้นก็ฉันนั้นนั่นแหละทาให้รูปร่างสีหน้าเววตากิริยาท่าทางเนี่ยเสียหายหมดเลยแม้กระทั่งเสียงเนี่ยเสียงทะเลาะไหมไม่เนี่ยนะแล้วก็ทาลายความสุขหมดเลยใช่ไหโทสะนี่เวลาเกิดขึ้นเนี่ยประทุษร้ายทาลายความสุขทำลายความสุ ข, มส ข, ขของตัวเองไปหมดเลยนยะ แทนที่จะสงบเยือกเย็นอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายไม่หรอกเร่าร้อนเนี่ยนะทลายความสุขให้ถึงความพินาศนั้นตัวโทสะนี่เป็นตัวที่ประทุสร้ายมากๆโทสะนี่เป็นทุกขสัจจะนะตัณหาเป็นสมุทยัยสัจจะมันผลของของทุกขสัจจะที่เห็นชัดๆเลยที่มันน่ากลัวมากก็คือเนี่ยตัวโทสะตัวโทสะนี่ก่อให้เกิด โศกปริเทวะทุกขโทมานัปและอุปาญาตเนี่ยนะความทุกข์ทั้งมวลเนี้ล้วนจะเกิดจากโทสะพันธะคนไม่มีโทสะนี่จะมีความสุขสักปานใดเนาะถ้าทําหมดโทสะเลยเนาะถ้าทําลายโทสะได้จริงๆเลยชีวิตคงมีความสุขมากนะเขาตัดหัวเรายังไม่โกรธเลยอย่างเงี้ยนะบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องโกรธสิอย่างงี้หรือว่ายังหวงมากเลยนะกลัวจะไม่ได้โกรธอย่างงี้หรือว่าตัวความโกรธเนี่ยเป็นตัวที่ตรึงห้ามไม่ให้เจริญกุศ ล, ลจิต เช่นมีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยนะไอเรื่องไม่สบายใจเนี่ยนะตัวประทุษร้ายทำให้เจริญกุศลได้ไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นพยาบาทนิวรกลุ่มรมแล้วเนี่ยนะคิดถึงลักษณะของการมาฉันทานเนี่ยคิดง่ายๆว่าวเมื่อใดที่ปล่อยใจไปในสิ่งที่ตัวเองชอบเวน้นเว้นในเรื่องกุศลนะเว้นเฉพาะเกี่ยวกับกุศล ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธาพะที่ตัวเองชอบปล่อยใจแท่องเที่ยวไปเรื่อย ๆ, ๆลักษณะนี้เป็นกามาฉันทานิวรคิดสรรหาแต่เรื่องเลวร้ายเอามาคิดนะอันนั่นแหละเป็นลักษณะของพยาบาทนิวรสรรหาแต่เรื่องเลวเลวร้ายเรื่องเสียหายเรื่องที่ถ้าว่าเราป่วยเราจะอยู่ยังไงนี่นะชาติหน้าถ้าเราตกนรกเราคงทุกข์มากมั้งเนี่ยนะก็คิดคิดอะไรก็ได้ที่ เออนี่ถ้าคนนั้นเขาตายแล้วเราจะอยู่ยังไงเออนี่นะถ้าเกิดอยู่ๆแล้วเราเกิดปวดขึ้นป่วยขึ้นมาแล้วใครจะดูแลเราอย่างเงี้ยคือคิดไปเรื่อยคิดอะไรก็ได้ที่มันก่อให้ตัวเองเสียใจยเดือดร้อนใจลักษณะ น, นั้นเป็นพยาบาทหรือหาเรื่องคนความเสียหายของคนอื่นมาคิดก็ได้หาความเลวของคนอื่นคนนั้นก็เลวเรื่องนั้นมีสถิติข้อมูลความเลวของคนอื่นทุกคนเลย ลักษณะนั้นก็เป็นลักษณะของโทสะคนนี้นะมีข้อเสียตรงนี้นะคนนั้นก็มีข้อเลวตรงนั้นคนนั้นก็ไม่ดีตรงนี้นะไปจับข้อมูลเก็บข้อมูลในความเลวคนอื่นได้หมดเลยเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละก็ใครที่คิดอย่างนี้มากๆเนี่ยนะตอนนั้นอย่าเพิ่งตายเนอะนะให้จิตเป็นกุศลก่อนแล้วค่อยไป เ, ยนะเพราะว่าตัวโทสะเนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีโทสะนะั้นไม่มีนรกหรอก เพราะว่าโทสะนี่แหละเป็นปัจจัยทำให้ตกนรกเนี่ยนะส่วนทีน่ามิธาอันนี้เรียนไม่ยากนะช่วงบ่ายๆนี่เห็นง่ายมากเลยนะดูหน้าพอรูมไม้ไหมว่าทีน้ามันกลุ้มรุมคนง่วงดูไม่อมก็ได้เลยนะนะหนังตาปกติเนี่ยอุย้ยเบาๆเนี่ยนะเนะขาบอกว่าวิธีแกง้ง่วงทำยังไงบอกเออได้เวลาพักแล้วตื่นหมดเลยกันนี่ได้เวลาอาหารแล้วอย่างงี้ยนะจะตื่นหมดแนละ้ พันทีนะเนี่ยแปลว่าความหดหู่มิทธะก็คือความท้อแท้แปลว่าไม่เพิ่มพูนควรจะเจริญเติบ โ, โตใช่ไหมมันดีลงดีล ง, หลงเหมือนกับว่าตอนแรกเนะี่ยพลังงานเนี่ยเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนเครื่องเสียงที่แบตเตอรี่มันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ่ะนะมันไม่เพิ่มเลยมันมีแต่ลดลดลดลดลดลดลดลดหมดความอุตสาหะใช่ไหมกําจัดจนถึงไม่มีความสามารถไม่ ข, ขมักขมแน่นนะ ไม่สามารถนะศีรษะนี่มันเคยเบาๆเนี่ยมันก็ยกเริ่มยกไม่ขึ้นนะจ๊อยอะไรอะไรก็ยกไม่ขึ้นหนังสือก็จะเปิดไม่ได้แล้วมันหนักไปหมดเลยเทอ้อเรียกว่าทีนะมิทธะทีนะเนี่ยมันทําให้จิตท้อแท้มิทธะทําให้เวทนาสัญญาสังขารท้อแท้มันห้ามตรัดตรึงตรึงจิตเนี่ยทําให้หมดประสิทธิภาพทําให้หมดหดหัวนะพูดแต่แบบไม่ใช่หดหัวแบบโทสะนะ่ะหมายว่ามันรีบปรีรีปรีรีปรีรปร ทําให้จิตเจตสิกเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงไปหมดเลยนะตัวนี้ก็ห้ามการเจริญกุศลนะทีนัมิธานี่ห้ามการเจริญกุศลอย่างมากทําให้ไม่สามารถเจริญกุศลเนี่ยตัวที่บันทอนเวลาอ่านพระไตรปิฎกมากเลยก็คือเนี่ยทีนัมิทานเนี่ยนะยิ่งอ่านพระธรรมที่ลึกซึ้งยากๆด้วยเนะี่ยนะอู้ยมันแทรกเข้ามาเนี่ยนะมันยิ่งกระช้างอีกนะมันทับไปหมดเลยแล้วก็ทานอาหารอิม่มๆด้วยนะ แล้วก็อ่านหนังสือที่โดยเฉพาะอ่านพระธรรมด้วยนี่แม่มันเข้ามาดีจริงๆเลยนะท่วมทับเนี่ยนะมันทับจนลืมตาก็แทบไม่ขึ้นนะแต่บอกว่าไปเที่ยวอย่างไงอัยตื่นหมดเลยทันทีนะกระปรีก้กระเป๋าสดชื่นรื่นเริงไปได้ต่อ